อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ว่าอดีตจะสวยงามเพียงใดหรืออนาคตจะน่าวิตกน่ากลัวเพียงใดมันก็ไม่ใช่ความจริง สิ่งที่เป็นความจริงมีอย่างเดียวคือปัจจุบันปัจจุบันที่ปรากฏแก่เราเฉพาะหน้าทั้งภายนอกภายในอันนี้คือความจริงคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับความจริงคนส่วนใหญ่ไปอยู่กับสิ่งที่เรายึดเอาไว้ ว่าเป็นความจริงก็คือความทรงจาหรือว่าสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาว่าอนาคตจะเป็นอย่างนั้นลองดูพิจารณาดูว่าอนาคตที่เรากังวลอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองใช่ไหมเป็นสิ่งที่เราคาดเดาเอามันไม่ใช่ความจริงแม้แต่อดีตที่ผ่านไปแล้ว มันก็ไม่ใช่ความจริงมันก็คือสิ่งที่เราเลือกทรงจําในบางอย่างและเป็นพราะเราไม่ได้อยู่ความจริงเราไปอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงบ่อยครั้งก็เลยทำให้เป็นทุกข์เราเดินจงกรมเราปฏิบัติทั้งวันก็ให้สังเกตดูว่าใจมันไปอยู่ที่ไหน ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กับอดีตกับอนาคตแล้วเวลาไปอยู่กับอดีตก็มักจะพ่วงติดมาด้วยความทุกข์เช่นไปนึกถึงคนที่เขาว่าเราคนที่เขาแกล้งเราหรือว่าเป็นนึกถึงคนรักที่เราที่พัดพราจากเรานึกถึงของที่หาย พวกนี้มันอดีตทั้งนั้นบางคนเป็นทุกข์เพราะว่าไปนึกถึงของที่ซื้อมาแล้วทำไมถึงทุกข์ก็เพราะว่ามันไปซื้อแพงกว่าคนอื่นเท่าทาั้งๆที่ของที่เราซื้อมามันก็ถูกกว่าที่อื่นนะเราเคยเป็นมาเราไป ไปซื้อไปเที่ยวเนะชียงใหม่ไปต่างประเทศเขาขายของราคาถูกนะเราก็ไปต่อมาได้ถูกยิ่งกว่าอีกแต่พอเราเจอเพื่อนเพื่อนเอาสินค้าของอย่างเดียวกันมาบมาโชว์ให้เราดูแล้วก็บอกว่าซื้อได้ถูกกว่าเราสิ อ, อีก เราก็ซึมไปเลยมีเพื่อนคุณเขาเล่าว่าเขาไปตอนที่เขาไปปักกิ่งเขาก็ไปไปไปตลาดรัดเสเซียนะีคนไทยที่ไปปักกิ่งเนี่ยต้องรู้จักตลาดรัดเสเซียเพราะว่าของของปลอมเนี่ยมีทุกยี่ห้อเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลุยวิตตองไม่ว่าจะเป็นชั้นแนวนะแต่ราคาถูกมากเพราะมันของ ของปลอม 100% เซนะ์ะก็ไปซื้อกันแบบสนุกสนานมากไปต่อราคากันนะตอนต่อ น, นี่ก็สนุกนะแล้วยิ่งได้มาก็ยิ่งสนุกใหญ่มีความสุขที่ได้มาเพราะว่าเป็นของถูกนะแดงเก่งยีนมาตัวหนึ่งราคาแค่ร้อยเดียวนะแต่พอมาขึ้นลถทัวร์เพื่อนก็ซื้อได้ 80% นะเพื่อน คนที่เขาเล่านี้เขาบอกเ้านอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะแคนนะแคนที่ซื้อได้แพงกว่าคนอื่นทั้งๆ ท, ที่ซื้อมาก็ถูกกว่าที่คาดหวังอยู่แล้วเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ซื้อมันก็ซื้อไปแล้วะนะเนงินก็จ่ายไปแล้วแล้วทำไมยังมายังมาเสียดายหรือว่าเสียใจ มันก็ควรจะปล่อยให้เรื่องผ่านเลยตามเลยหรือมองในแง่ดีว่าโอ้เราก็ซื้อถูกกว่าคนอื่นเขาเ น, นี่ยเพียงแค่นี้ก็ทําให้นอนไม่หลับนะก็เป็นความทุกข์นะเป็นความทุกข์เพราะไปคิดถึงอดีตซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยแค่ซื้อของแพงกว่าเขา20บาทเท่านั้นเองนะหรือบางทีไปซื้อของแล้วเขาจ่ายเขาทอนเงินไม่ครบเนี้ย เรามารู้ทีหลังก็มานึกเสียดายว่าเขาถอนไม่คบขาดไปห้าบาทก็มานั่งคุ้นคิดแต่เรื่องนี้อดีตทั้งนั้นนะแต่ว่าก็ทำให้เราทุกได้ขนาดไปเรื่องเล็กๆนน้อยยังไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องอสูญเสียคนรักหรือว่ า, าบ้านาถูกยึดอนาคตก็เหมือนกันนะเรา เดินจงกลมสร้างจังหวะเนี่ยมีไหมที่เราบ่อยครั้งแค่ไหนที่เรานึกไปถึงงานที่ยังค้างอยู่นะพอนึกถึงงานที่ค้างก็รู้สึกกังวลหรือนึกถึงงานชิ้นใหม่ที่กาลังรอเราอยูนะ่ก็กังวลขึ้นมานะเดินจงกลมก็เดินไม่มีความสุขนะสร้างจังหวะก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงให้งานที่มันค้างคาหรือรอเราอยู่นะหรืออาจจะนึกว่าโอ อาทิตย์น้านี่ก็ต้องไปหาหมอเพื่อไปรับทราบผลการตรวจวินิจฉัยของหมอว่าตกลงเราเป็นอะไรหรือเปล่านะเพียงแค่นึกเท่านี้ก็หนักอึ้งในใจแล้วว่าโอ้เดี๋ยวเราจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่านะนะใครที่กังวลเรื่องนี้เนี่ยวิธีแก้มีสองอย่างคือหนึ่งกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือสองคิดเผื่อไปเลยว่าเออสมมติว่าเป็นมะเร็งนะคิดเผื่อให้มันหนักหนักไปเลย นะมันจะได้จบกันนะพอทําใจได้ว่าเออมะเร็งก็มะเร็งสิวะก็วางได้ฉนะนั้นใครที่เป็นห่วงกังวลเรื่องนี้ว่าหมอเขาจะวินิจฉัยว่ายังไงเนี่ยนะลองทำสองอย่างนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันทําอะไรก็ทําอยู่ใจก็อยู่กับสิ่งนั้นหรือไม่ก็คิดให้มันสุดๆดไปเลยแล้วมันเป็นยังไงมันตายไหมนะ ไปรอผลสอบว่าสอบเข้าได้ไหมเออคิดไปเลยให้มาว่าออาถึงขั้นว่าสอบตกสอบไม่ได้แล้วเป็นอย่างไงมันตายไหมนะมันก็ไม่มีอะไรมันก็ยังยังโลกก็ยังหมุนเหมือนเดิมเราก็ยังมีชีวิตตามปกติการคิดไปสุดๆแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคือมันจะได้แล้วใจนะไม่ต้องคอยกังวลว่าเดี๋ยวหมอก็จะว่าอย่างไรนะหรือว่าผลสอบมันจะเป็นอย่างไร ไอ้ความที่มันไม่ไม่รู้แน่นอ น, นก็ทำให้กังวลแล้วทําให้ทำให้เกิดความทุกข์แต่พอคิดมันไปสุดๆเลยมันก็จบได้เน่เการอยู่กับอดีตกับอนาคตเนี่ยเราไม่ได้แค่แค่นึกถึงเฉยเนะมันจะพลอยไปไปไปยึดเอาด้วยนะแล้วสิ่งที่เรานึกถึงอดีตกับอนาคตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความ เป็นเรื่องเลวร้ายในอดีตรหรือเป็นเรื่องของเรื่องที่เป็นลบในอดีตนะบางทีก็เป็นเรื่องสวยงามเป็นเรื่องที่ชวนให้มีความสุขแต่พอไปนึกถึงแ ล, แล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองตอนนี้มันก็ทำให้รู้สึกแย่เหมือนกันนะหลายคนก็จะรู้สึกแย่เวลานึกไปถึงอดีตว่าสมัยก่อนเราดีกว่านี้สมัยก่อนเรามีบ้านที่ใหญ่กว่านี้สมัยก่อนเรามีลูกน้องที่มากกว่านี้ พอไปคิดเปรียบเทียบเข้าอย่างเงี้ยมันก็ทุกเลยนะคนที่คนที่เจ็บป่วยเนี่ยจะมีความทุกข์เพราะเหตุนี้มากยิ่งถึงกับพิกรารเนี่ยก็จะยิ่งทนไม่ได้เพราะว่าอาดีตสมัยก่อนเราดีกว่านี้เราสบายกว่านี้เราเดินเหินไปไหนได้นะคนเราทุกข์เพราะไปเปรียบเทียกบกับอดีตก็เยอะนะหรือไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะ นะปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะก็ไม่มีความสุขหรอกถ้าเกิดว่าไปนึกว่าโอ้บ้านที่เราเคยอยู่เนี่ยบ้านเรามันดีกว่านี้นะกุฏิมันไม่ดีเลยนะหรือว่าไปไปที่ในไปที่โนนที่นี่นะไปพักรีสอร์ทก็ไปเปรียบเทียบว่าโอ้ยรีสอร์ทที่เราเคยไปมันดีกว่านี้ไอรีสอร์ทที่เราอยู่มันไม่มันดีไม่เท่า ห้องน้ำมันเล็กห้องนอนมันเล็กแค่นี้เราก็ทุกข์แล้วแล้วคนเราทุกข์เพราะเหตุ น, นี้มากนันคือไปเปรียบเทียบกับสิ่งดีๆในอดีตไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ยอมที่จะมองว่าไอ้ปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างถ้าเรารู้จักมองให้เห็นหรือเปิดใจยอมรับปัจจุบัน ได้อยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยมันจะมีความสุขขึ้นมากนะอย่าไปเปรียบเทียบ ก, กับอดีตนะอย่าไปอย่าไปเอาอนาคตมาเปรียบเทียบด้วยนะให้พอใจในปัจจุบันมองว่าปัจจุบันมันมีข้อดีอะไรบ้างนะเช่นมาอยู่วัดถึงแม้ว่าคนจะเยอะกุฏิจะเล็กนะแต่ว่ามันได้อยู่ทําการธรรมชาตินะ ล อ, ลองมองเธอนะลองมองให้เป็นบวกก็จะเห็นว่ามันก็มีสิ่งที่ให้หน้าชื่นชมได้ถ้ามองแบบนี้แม้จะเจ็บป่วยแค่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะยิ้มออกได้นะมีคนหนึ่งเ็าเป็นโรคทาร์ซิเม่ตั้งแต่เกิดนะทราร์ซิเม่ยี่คนไทยเป็นกันเยอะแล้วถึงไม่เป็นก็เป็นพาหะเป็นพาหะอยู่ในยีนนะ ถ้าแม่ก็เป็นพ่อก็เป็นมาแต่งงานกันลูกก็เป็นแน่นะหรือว่ามียีนเป็นพาหะาคนนี้เนี่ยกขาเป็นเป็นธาลัสซีเมียตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วตัวเขาแค็งแกรนมากหมอบอกว่าจะมีอายุได้ไม่ไม่เกินยี่สิบเขาก็มีอายุได้ถึงสามสิบล้วมั้งเขาเคยให้สัมภาษณ์นะตอนที่เขาอายุสักยี่สบหกคือว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่ง แม้ว่าร่างกายเขาจะเปราะบางนะกระดูเขากระดูเขาเปราะมากนะเวลาหกล้มก็จะขาหักแขนหักได้ง่ายเขาเข้าเฟือมาสิบกว่าครั้งแล้วอายุแค่ยี่สบหกเข้าเฟือมาสิบสี่ครั้งก็ <c oughs> เรียกว่าสองปีครั้งนะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่พ่ออะไรเขาบอกว่าเนี่ยเขาเคยพูดว่าเนี่ยถึงแม่เลือดฉันจะแย่แต่ฉันยังมีตาไว้เห็น ยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันยังมีจมูกดมกลิ่นหอมฉันยังมีหูฟังเสียงที่ไพเราะนะตัวฉันก็สามารถไปไหนมาไหนได้เพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะความสุขบรรหารได้ไม่ยากหรอกนะคือแกไม่มานั่งเสียดายว่าโอ้ฉันนี่ไม่เหมือนสู้คนอื่นไม่ได้คนอื่นนี่เขามีสุขภาพดีกว่าเขามีรูปร่างหน้าตาสวยกว่า เขาแข็งแรงกว่าเพราะเธอไม่มองอย่างนั้นไม่เปรียบเทียบกับใครเลยแต่มองว่าเนี่ ย, ยที่ฉันมีเนี่ยฉันมีอะไรดีบ้างนะฉันมีอะไรดีบ้างฉันยังมีตาฉันยังมีหูฉันยังมีจมูกที่ยังทำงานได้ดีฉันยังมีปากเอาไว้กินอาหารของอร่อยอร่อยได้นะมองแค่นี้เนี่ยก็สามารถจะมีความสุขไดนะ้เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุข นะผู้อยีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเธอพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้คนเราจะไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็เพราะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเขามีดีกว่าเรานะฮะเขามีบ้านใหญ่กว่าเราหรือไม่ก็เปรียบเทียบ ว, ว่าสมาัยก่อนเราดีกว่านี้สมัยก่อนเราสบายกว่านี้สมัยก่อนเราสาวกว่านี้เราหนุ่มกว่านี้ น, น, น, น, นนะอันนี้เราว่าไปยัง ติดอยู่กับอดีตนะต้องวางนะต้องรู้จักวางถ้าสังเกตที่เราติดอยู่ในอดีตเพราะเราเราไปคิดถึงมันการคิดถึงอดีตไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่พอคิดแล้วเนี่ยเราไม่มีสติเราก็พลัดหลงเข้าไปในความคิดเกี่ยวกับอดีตแล้วก็เลยถูกความคิดนี้เองเนี่ยมันลากไปคนเราที่เป็นทาตความคิดนะเราเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเราเนี่ยเป็น เป็นธาตุความคิดมันเผลอคิดเรื่องอะไรไปเดี๋ยวไปแล้วนะไปยืดยาวเลยแต่ก่อนเราเนึนว่าความคิดเป็นของเรานะความคิดนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาก็จริงอยู่แต่พอเราสร้างมาแล้วเราไม่รู้ทันมันมันก็เลยกลายเป็นนายเรามันสั่งให้เราคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลานอนเป็นไหมนอนไม่หลับ อ, ะนะอยากจะหยุดคิดมันคิดไม่ได้ มันหยุดคิดไม่ได้มันก็คิดเรื่อยเปื่ยไปยิ่งอยากให้มันหยุดคิดมันก็ยิ่งคิดตะบีตะบันเข้าไปยิ่งอยากจะไปกดไปห้ามไม่ให้มันคิดมันก็ยิ่งปรุงแต่งมากขึ้นนี่แสดงว่าเราไม่ได้เป็นนายความคิดแล้วเราเป็นทาสความคิดคนสมัยนี้คิดเก่งนะคิดเก่งชาวบ้านนี่สู้ไม่ได้พวกเราเราคิดเก่งคิดได้เป็นชั่วโมง แต่ว่าคิดไปคิดมาปรากฏว่าความคิดมันกลายเป็นนายเราเราจนกระทั่งเราไม่สามารถจะหยุดคิดได้คิดเก่งแต่ว่าหยุดคิดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะคนที่คิดเก่งแต่หยุดคิดไม่ได้เนี่ยวางความคิดไม่ได้แล้วคนในเมืองเป็นอย่างนี้มากยิ่งมีการศึกษาสูงเนี่ยยิ่งยิ่งมีปัญหานี้คิดเก่งแต่หยุดคิดไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นโทษ เพราะความคิดนี่แหละที่มันเล่นงานแล้วคนที่ฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะความคิดมันเล่นงานจนเอาไม่อยู่มันพยายามซ้ําเติมกระหน่าย่ํายีด้วยการคิดร้ายคิดไปในทางลบนะจนหยุดไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยมีสิวแค่ไม่กินไม่บนใบหน้าก็คุ้นคิดอยู่แค่นั้นแหละนะยิ่งๆที่เคยยิ่งรู้สึกน้อย อ, อกน้อยใจนะ รู้สึกอับอายขายหน้ารู้สึกแย่ทําไมต้องเป็นฉันทำฉันทํากรรมอะไรไว้นะเห็นใครกระซิบกบระซากรู้ว่าเขานินทาเรานเะขานินทาเราที่มีสิวนะคิดไปคิดไปเนี่ยนจนกระทั่งจะบ้าบางคนก็ฆ่าตัวตายเพราะเหตุนี้ใหนะ้ความคิดมันหลอกเรานะเราอย่าไปคิดว่าเราคิดเก่งแล้วมันดีบางทีมันเหมือนกับรถที่วิ่งเร็วนะแต่ว่าไม่มีเบรก คนสมัยนี้เป็นอย่างนั้นนะคือเหมือนกับรถที่วิ่งแรงวิ่งเร็วเครื่องยนต์ดีมากนะแต่ไม่มีเบรกรถยนต์แบบนี้ใครอยากจะนั่งบัางนะไม่มีใครอยากจะนั่งนะเพราะว่าถึงแม้มันจะแรงมันเร็วแต่ว่ามันไม่มีเบรกก็หมายความว่าอันตรายนะลงคูลงคลองหรือว่าลงสะพานก็เป็นไปได้ทุกทุกเวลาทุกนาทนะีชื่อของคนเรานี่มันเป็นชีวิที่ชนเข้าหาความทุกข์ชนเข้าหา ความความพินาศบ่อยๆก็เพราะว่ามันไม่มีไม่มีเบรกก็คือมันหยุดคิดไม่ได้ทำไมถึงหยุดคิดไม่ได้ก็เพราะว่าความคิดมันกลายเป็นนายเราแล้วแล้วเราไม่รู้ตัวนะว่าความคิดมันเป็นนายเราเนะเพราะว่าเราไม่รู้ทันความคิดบางทีมันหลอกเรามีคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่ติดเหล้า แล้ว ก, ก็พยายามเลิกเหล้านะแต่เลิกไม่ได้สักทีนะตั้งใจวันนี้จะเลิกเหล้านะพอพอกลับบ้านเดินผ่านร้านเหล้าก็อดไม่ได้ที่จะแวะเข้าไปนะก็เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งก็ตัดสินใจว่าเนี่ยฉันจะเลิกเหล้าให้ได้ฉันจะไม่เข้าไปร้านเหล้านี้เด็ดขาดว่าเ ด, ด็ดติงขาดฉันก็ไม่เข้านะตั้งใจไว้อย่างนี้แต่เลือกก็ไม่ค่อยนแน่ใจว่าทําได้หรือเปล่าแต่ว่า คันนี้มุ่งมั่นมากเสร็จแล้วก็ทํางานเสร็จพอเลิกงานก็เดินกลับบ้านนะพอใกล้จะถึงร้านเหล้านเนี่ยมารู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาเลยอะเปรี้ยวปากขึ้นมาพอถึงร้านเหล้านนะมันก็สัญชาติยานเดิมก็จะเดินเลี้ยวเข้าเข้าร้านแต่ว่ามีสติเ ยังไม่ได้ว่าเออวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเลิกเล่าให้ได้เลิกไม่ได้เป็นหมาแน่วันนี้เพราะฉะนั้นจะจะต้องเลิกให้ได้นะก็เดินต่อพอเดินได้สักเก้าหนึ่งก็ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกนะเพื่อเรียกให้ไปไปโกงเราด้วยกันนะก็จะเดินเข้าไปแต่ก็ยั้งเอาไว้ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้นะเข้าไปไม่ได้เด็กขาดนะ ก็ตัดสินใจเดินต่อไปอีกเก้าหนึ่งมันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ้ยวันนี้เอ า, เอาลองอีกสักกงหนึ่งนะเอาสักวันเอาถือว่าวันสุดท้ายก็แล้วกันแล้วพรุ่งนี้เลิกเด็กขาดแน่นอนแต่วันนี้ขอหน่อยนะก็เกือบจะเลี้ยวเข้าไปแต่ว่าความตั้งใจมันมีสูงมากมีสติก็เลยยั้งขาเอาไว้ได้ คือร้านเหล้า น, นี่มันมันก็ไม่ได้ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะก็ประมาณสักสองสามเมตรเท่านั้นแหละหน้าหน้าหน้าร้านนะแต่ว่าความรู้สึกของชายผู้นี้มันรู้สึกว่ามันมันเวลามันนานมากเลยนะเพราะว่ามีการต่อสู้กับระหว่างความอยากกับความตั้งใจที่จะเลิกเหล้าสุดท้ายก็สามารถที่จะเดินผ่านร้านเหล้าไปได้ไม่เคยเลยที่เดินผ่านร้านเหล้าโดยที่ไม่แวะเข้าไปในร้านเหล้าก่อน ดีใจมากว่าโอ้นี่เป็นชัยชนะครั้งสําคัญนะมีความปราบปื่มมากแล้วความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาว่าเฮ้ยงั้นเราไปฉลองชัยชนะดีกว่าแล้วก็เลยเดินเข้าร้านเล่าไปฉลองชัยชนะนะฉลองชัยชนะที่เลิกเล่าโดยการไปโกงเล่านะนี่คือเหตุผลของกิเลสนะกิเลสที่มันสามารถปรุงแต่งเหตุผลสารพัดนะให้กินเล่าจนได้นะ นะแม้กระทั่งเดินผ่านล้านเล่าด้านมันก็ยังปรุงแต่งเหตุผลว่าไปฉลองชัยชนะกันดีกว่านี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันมันสามารถปรุงเหตุผลปรุงความคิดมาหลอกเราคนเราเป็นท่ายความคิดเพราะเหตุนี้นะเพราะนั้นนี่จะบอกจะบอกว่านี่เราความเราเป็นนายความคิดเนี่ยไม่ถูกนะ ยิ่งคนทีค่คิดเก่งมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเป็นธาตุของความคิดก็ยิ่งมีมากหรือเพราะถ้าไม่มีสตินะอย่าไปคิดว่าเหตุผลมันจะดีไปทุกเรื่องนะเหตุผลบางอย่างมันก็มาจากกิเลสมันก็มาจากความเพียงแก่ตัวมาจากอัตตาตัวตนที่มันปรุงแต่งนะมันสามารถที่จะหาเหตุผลที่จะมาโต้แยง้งหรือว่าที่จะมาสนองกิเลสได้ตลอดเวลา เราต้องรู้จักเท่าทันนะคนที่ขี้โกรธมากเนี่ยคนที่ขี้เคียดแค้นพยาบาทเนี่ยก็จะมีเหตุผลมากมายว่าทําไมสมควรโกรธทําไมสมควรเกลียดคนคนนี้แล้วคนที่ชอบดา่าใครต่อใครเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลนะว่าทําไมสมควรดา่าเขาจะอ้างเหตุผลมาเพื่อที่ยืนยันว่าการที่เขาดา่าด้วยถ้อยคําแรงๆนี่มันถูกต้อง มีเหตุผลลองรับหมดแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลของของความถูกต้องนะแต่มันเป็นเหตุผลของกิเลสของโทสะนะยันอารมณ์นี่มันก็ปรุงแต่งเหตุผลได้เพราะนั้นเนี่ยให้เราลองสังเกตดูเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะจะอยู่กับอยู่กับอยู่กับการปฏิบัติ แต่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเหตุผลหลายอย่างเหตุผลมากมายที่จะให้เราเลิกปฏิบัตินะเฮ้ยเรายังยังหนุ่มยังสาวอยู่นะเอาไว้แก่ก่อนค่อยปฏิบัติก็ได้บางหลายคนกว่าจะมาถึงนี่เนี่ยก็เลื่อนหลายครั้งเลื่อนหลายครั้งก็มีเหตุผลให้เลื่อนอยู่เรื่อยๆ่อแต่บางทีก็พอเลื่อนไม่ได้ก็กมาแต่มาแล้วก็ยังมีเหตุผลอ้างว่ า, ว า, วา คงอยู่ได้แค่วันเดียวสองวันเดี๋ยวต้องมีธุระต้องต้องไปเคยมีนะมีคนมาบวชพระนะก็ตั้งใจตั้งใจจะมาจะมาจำพรรษานะจะมาจำพรรษานะว่าแต่ว่ า, วาพอบวชได้แค่สักวันสองวันเนี่ยนะก็เริ่มเขวเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายเขาเคยเป็นเขาเป็นหมอ เป็นหมอนี่ก็ก็เรียกว่ามีชีวิตที่สะดวกสบายนะแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะมันก็ไม่สะดวกสบายแล้วก็ต้องมาปฏิบัติ <ad> ก็เริ่มเขวนะที่เคยคิดว่าจะบวชสามเดือนก็ <ad> ก็เหลือแค่เดือนเดียวใช่เสร็จแล้วพอสองสมวันต่อมาได้ข่าวว่าแม่ไม่สบายพอรู้ชะนี้แกตัดสินใจเลยขอ ข อ, อข อ, อขอลาไปไปดูแลแม่นะคือตอนที่เป็นค า, า, ารวะเนี่ยไม่ค่อยสนใจแม่เท่าไหร่นะแต่พอบวชพระแล้วนี่รักแม่มากเลยนะแม่เป็นอะไรนี่จะจะอ้างเป็นเหตุให้ให้ให้ให้ออกจากวัดก็กลายาเป็นว่าบวชบวชนี่ได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นแหละ ก็ไปก็ศึกไปนะก็เรียกว่าความตั้งใจที่จะบวชทั้งภรษาเนี่ยมันมันหายไปเลยเพราะว่าโดนนะโดนกิเลสมันหลอกมันจะอ้างเหตุผลว่าทำไมเราควรจะอ่ากลับบ้านเราควรจะปฏิบัติเท่านี้พอสามวันก็พอแล้วนะเอาไว้มีโอกาสหน้าค่อยมาใหม่นะหรือแม้แต่ตั้งใจปฏิบัติเพราะรู้ว่า ไม่สามารถจะโดดการปฏิบัติได้แต่สังเกตไเม่เเราเราปฏิบัติเนี่ยมันก็จะหาเรื่องคิดมันจะอ้างเหตุคิดโน่นคิดนี่ตอนมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะพอปฏิบัติไปสักวันสองวันเนี่ยมันก็จะคิดก็จะคิดเรื่องนะคิดเรื่องเพื่อนคิดเรื่องสนุกสนานนะ คิดจงกระทั่งเราจับทางได้พอจับทางได้มันเปลี่ยนเรื่องคิดนะมันก็ไปคิดเรื่องงานเรื่องการแทนนะมันคิดไปคิดไปคิดไปเราจับทางได้ก็คอยเฝ้าดูว่ามันจะมาคิดเรื่องงานหรือว่ามันไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องขบคิดธรรมะนะหลวงพ่อเทียนท่านเทศอะไรเราก็เอาที่หลวงพ่อเทียนมาคบคิดธรรมะคือมันจะหาเรื่องคิดน่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารมันเป็นอาหารนะ คือมันไอการคิดเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นเป็นอาหารอย่างหนึ่งของจิตที่มันมันเสษติดความคิดคนทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าคนในเมืองเนี่ยเป็นพวกเสษติดความคิดเพราะฉนั้นทําให้คิดไม่ได้นะมันจะต้องหาเรื่องคิดและพอเราจับทางได้ว่ามันจะคิดเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นคือมันจะฉลาดกว่าเราเสมอนะได้ยิ่งไปห้ามไม่ให้คิดเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งคิดเข้าไปใหญ่ สุดท้ายไม่ต้องห้ามมันละแค่ดูมันเฉยๆดูแล้วก็ไม่สนใจมันนะดูแล้วไม่สนใจมันเมื่อมันรู้ก็มันคิดไปก็ช่างมันนะเราก็ไม่สนใจว่ามันคิดอะไรรู้แล้วก็ไม่สนใจกลับมาอยู่กัรรู้สึกตัวเวลาเคลื่อนมือไปมาเวลาสร้างจังหวะนั่นะอย่าไปอย่าไปอย่าไปหมายมั่นนะในการที่จะต่อสู้กับความคิดนะ คนที่คิดจะต่อสู้กับความคิดจะไปห้ามมันจะไปกดข่มมันจะไม่มีทางชนะจะแพ้มันเพราะว่ามันก็จะมันก็จะสู้มันก็จะมีรูปไม้หลายประการบางทีไปกดข่มมากๆนะมันหลบนะมันหลบในแต่พอเราเผลอเมื่มอไหร่เช่นพอเราจะเข้านอนเนี่ยโอ้โหมันก็พลั่งพลูออกมาเลย นะมันพังพลุออกมาจนกระงนอนไม่หลับนะดังการที่จะไปสู้กับความคิดเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเท่าไหร่เพียงแต่รู้มันเฉยๆนะมันมีหลักนะที่คนก็สรุปไปดีเขาบอกว่าสิ่งใดที่ที่ผลักใสจะคงอยู่สิ่งใดที่เพียงแค่รู้จะหายไป สิ่งใดที่ผลักไสสิ่งใดที่ปฏิเสธมันจะคงอยู่สิ่งใดที่สักว่ารู้ก็จะหายไปอารมณ์ที่เราพยายามกดข่มพยายามปฏิเสธเนี่ยนะมันจะยิ่งเรากดข่มยิ่งเราปฏิเสธมันเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งก่อกวนยิ่งยิ่งท้าทายเราเหมือนกับเด็กเหมือนกับเด็กวัยรุ่นนะที่ที่ชอบท้าทาย คือยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะมันจะมีเด็กประเภทหนึ่งเนี่ยที่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ก็เพียงแต่รู้เฉยเฉรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ไม่ผลักไสแล้วก็ไม่ไข ว, ขว่คว้าความคิด ด, ดีที่เกิดขึ้นความทรงจำในอดีตที่สวยงามที่มันเกิดขึ้นนะเราก็รู้มาเฉยเฉยเราก็ไม่ไขว่คว้า นะความคิดที่ไม่ดีความทรงจำในอดีตที่ไม่ดีหรือเรื่องกังวลในอนาคตนะที่มันทำให้ใจเราหม่นมองวิตกมันเกิดขึ้นมาก็รู้เฉยๆนะแล้วก็ใหม่ๆก็สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก็ไม่ต้องสนใจว่าทำไมถึงคิดคิดคิดอะไรทำไมถึงคิดกลับมาอยู่กับการปฏิบัติมันมีหลายคนนะหรือหลายครั้งที่เวลาเรา เราเผลอคิดไปแล้วเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยเสร็จแล้วมันอด<ๆ>อดคิดไม่ได้ว่าเมื่อกี้นี่คิดอะไรเออเมื่อกี้นี่คิดอะไรนะแล้วมันก็พอไม่รู้พอจำไม่ได้ว่าคิดอะไรนะมันก็จะพยายามไปสาวหาว่าคิดอะไรคิดอะไรนี่ก็โดนมันหลอกอีกแล้วนะปล่อยมันไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเมื่อกี้คิดอะไรแล้วมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าเวลาเราคิดนี่เราไม่รู้ตัวนะเราคิดด้วยความไม่รู้ตัวนี่บ่อยนะ พรถ้าเรารู้ตัวเนี่ยเราต้องจําได้ว่าเราคิดอะไรเมื่อกี้นี้แต่เราจําไม่ได้อะนะแสดงว่าเราคิดโดยไม่รู้ตัวเราเผลอคิดนะเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วไม่ต้องสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรปล่อยไปเลยนะช่างมันถือเราว่าช่างมันนะทาไมมันถึงคิดก็อย่าไปสนใจถามว่าอย่าไปสนใจหาคําตอบว่าทําไมถึงคิดทําไมถึงคิดที่ทําไมถึงคิดเรื่องที่มันน่าเกลียดอย่างนี้ทําไม คิดเรื่องที่มันแย่แบบนี้ทำไมฉันเป็นคนอย่างนี้อย่าไปสนใจนะอย่าไปรู้สึกแย่กับตัวเองถ้าเกิดคิดคิดอะไรที่มันแย่แยนะ่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอย่าไปเอาอย่าไปเอานิยายอะไรกับมันนะก็เพียงให้รู้สักตรรว่ามันให้สัตธว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นก็พอ น, ะอนันเร า, าทาหน้าที่เหมือนกับ เราจะปฏิบันนี่มันเหมือนกับเรานั่งรถทัวร์นะนั่งรถทัวร์เราก็ผ่านสถานที่ต่างๆบางทีก็ผ่านร้านผ่านศูนย์การค้าผ่านชายหาดผ่านทะเลที่สวยงามล้วก็เราก็ แ, กแค่ผ่านเฉยๆไม่เหมือนนั่งรถเกง๋งนั่งรถเก๋งเนี่ยเห็นที่ไหนดีแวะเห็นที่ไหนดีแวะใช่แต่ว่านั่งรถทัวร์เนี่ย แม้จะผ่านที่ที่สวยงามเพียงใดเนี่ยมันก็จอดไม่ได้แม้จะผ่านเทสโก้โรตาก็ไม่จอดนะเลยไปเลยแต่ถ้าเรานั่งรถเก่งเนี่ยโอ้มันจอดอยู่นั่นแหละนะจอดตรงนี้ทีตรงนั้นทีถ่ายรูปบ้างซื้อของมั่งช้อปปิ้งบัง่งนี่คือชีวิตของเราตามปกติที่ชอบแวะนะทำงานก็แทนที่จะพุ่งก็ไปไปที่งานก็แวะโน่นแวะนี่งานไม่เสร็จสักที แต่การปฏิบัติเนี่ยเราจะเหมือนกับ น, นั่งรถทัวร์นะคือผ่านอย่างเดียวผ่านอย่างเดียวเจออะไรก็ตามผ่านอย่างเดียวไม่มีการแวะนะแค่รู้เฉยๆว่ามันว่าว่าเห็นอะไรแต่ไม่แวะไม่คล้องไม่ติดนะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปอดีตอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่มารบกวนเรานะมันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันเกิดนะมันกังวลก็รู้ว่ากังวลนะแต่ว่าก็ผ่านผ่านตลอด แต่ใหม่ๆมันไม่ผ่านตลอดนะมันแวะมันแวะโนโนแวะนี่นะถ้าไม่แวะก็โดดก็มีนะแต่ว่าต่อไปมันก็จะผ่านตลอดนะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเวลาทางานก็จะทำงานได้ไ ด, ได้ได้สะดวกพุ่งไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วตรงจุดนะอันนี้คือชีวิตของของผู้ที่มีสติคือไม่ไม่คล่องไม่ติดนะ ก็คือความปล่อยวางนั่นเองนะแล้วมันก็จะเบาทํางานก็จะเบาเพราะเราทํางานด้วยใจที่ปล่อยวางเราไม่กังวลถึงอนาคตไม่กังวลกังวลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จนะเราก็จะทําแต่ละขณะแต่ละขณะให้ดีไอ้เรื่องที่ผ่านไปแล้วเคยผิดพลาดอะไรเราก็ไม่สนใจแล้วก็ผ่านเราจะอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดนะีมันก็ไม่มีอะไรที่ทต้องกังวล เมื่อเราปฏิบัติเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยให้เราตั้งใจว่าเราจะทำแต่ละแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงให้ดีทำตอนนี้อย่าไปสนใจวันพรุ่งนี้อย่าไปสนใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราแค่ทำคืนนี้ให้ดีพอถึงตอนเช้าเราก็ทำตอนเราก็อยู่กับปัจจุบันนะเราไม่สนใจตอนบ่ายว่าจะเป็นยังไงเราไม่สนใจว่าตอนค่ำจะเป็นยางไร เราจะทำแต่ชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้ให้ดีนะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วนะถ้าใครที่นั่งนับวันถอยหลังเนี่ยนะนับชั่วโมงถอยหลังเนี่ยจะมีความทรมานมากเพราะจะรู้สึกว่ามันช้าหรือแม้แต่เวลาเดินจงกรมตั้งใจว่าจะเดินให้ได้ชั่วโมงหนึ่งนับถอยหลังอ่า อีกห้าสิ้าอีกห้าบเก้านาทีอีกห้าบแปดนาทีอีกห้าสิบนาทีอีกสี่บนาทีเนี่ยคิดแบบนี้นี่มันจะทรมานมากผุไม่สนใจเลยว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะครบชั่วโมงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละนาทีอยู่กับแต่ละวินาทีให้ดีนะแล้วมันก็จะมันก็จ ะ, ม, จ ะ, ม, จะมันก็จะเวลามันจะผ่านไปเร็วเองนะจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องก็ต้องทําแบบ ใจที่สบายๆนะต้องเริ่มต้นด้วยใจที่สบายอย่าไปคิดอยากอย่าไปคิดอยากได้อะไรอยา่อย า, ยาจะไปคิดอยากเอาชนะอะไรไม่คิดอยากแม้กระทั่งเอาชนะความคิดนะถ้าใครตั้งใจว่าเนี่ยฉันจะสร้างจังหวะโดยไม่คิดเลยนะจะอยู่กับกายรู้สึกตัวตลอดเวลาหนาทีนี่นะอันนี้ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะเพราะว่าพอทำได้ปุดประเดี๋ยวเดียวก็ ก็คิดแล้วก็ฟุ้งแล้วหรือถ้าไม่ฟุ้งก็ไปกดมนันเอาไว้แล้วทานี้จะเครียดทานี้ได้สามวันสี่วันก็จะปวดหัวจะแน่นหน้าอกเพราะว่าความตั้งใจที่มีมากความตั้งใจอยากจะเอาชนะอยากจะเอาชนะความคิดอยากจะกดข่มนะความคิดเลยว่าคนที่ตั้งใจมากทำสบายๆ ห, หลวงพ่อเทียนแนตมา วันแรกที่ไปปฏิบัติกับท่านที่วัสนามนายท่านก็บอกว่าให้ทาเล่นๆแต่ทําจริงๆทําเล่นๆหมายความว่าอย่าไปคิดเอาอะไรอย่าไปคิดเอาชนะหรือกดข่มความคิดอย่าทําด้วยความอยากแต่ทําจริงๆคือทาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นมาจนเข้านอนนะไม่ว่าจะอาบน้ําถูฟันกินข้าว ล้างบาตรล้างจานจา น, น ะ, นะก็ให้ใหตั้งให้ให้ใหถือว่าเป็นการปฏิบัตินะอันเนี้ยการการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะกลายทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่านผ่า น, ผ, านผ่านไปได้ง่ายมันจะไม่กลายเป็นการแบกนะถ้าเราปฏิบัติด้วยความอยาบมกลายเป็นการแบกจะกลายเป็นความหนักอย่างที่เรียกว่าเนี่ย แบกความอยากเอาไว้แบกความคาดหวังเอาไว้นี่หนักอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนักสิ่งที่เป็นสิ่งที่หนักนี่ไม่ใช่แค่วัตถุร่างกายเท่านั้นที่มันหนักความอยากความคาดหวังนี้ก็หนักแม้จะเป็นนามธรรมแต่ก็หนักมากนะบางทีหนักกว่าวัตถุรูปธรรมซะอีกให้เราทำด้วยความด้วยความด้วยใจที่ปลอดโปรง่ง วางถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ดีอาจจะเพล่อาจาะอาจะาพลังบ้างก็ไม่เป็นไรกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราวางใจเว้ผิดตั้งแต่แรกนะมันก็จะผิดไปเรื่อยเหมือนกับกรัด ก, กระดุมอะถ้าเรากรัด ก, กระดุมเม็ดแรกผิดนะใส่ใส่กระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันไม่ถูกอะนะไอเม็ดที่สองเม็ดที่สามันก็ถูกไปไม่ได้มันก็ผิดไปหมดนะการปฏิบัตินี่มันสําคัญที่วางใจไม่ได้สําคัญอยู่ที่การ วางท่าวางทางไม่ได้อยู่ที่จังหวะไม่ได้อยู่ที่เดินนานเดินเดินสั้ น, น, นเดินไกล<น>เดินใกล้<น>กลแค่ไหนอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับใจที่วางไว้ให้ถูกนะไม่ได้คิดจะเอาชนะใจที่ทำโดยไม่หวังอะไรนะปล่อยให้สติมันทำงานเองแล้วสติมันก็จะค่อ ย, อยเติบโตขึ้นไวขึ้นโดยอัตโนมัติ นะความระลึกรู้ได้ไวความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องฉลาดในการสังเกตอ่ะแล้วก็พูด ก, กันเท่านี้ค่ำนี้กราบครบ